เราก็ต้องมาเจริญมรณานุสติถ้าใครเจริญมรณานุสติเนี่ยคนนั้นคือคนที่ทําปริญญาในในทุกขาริยสัตว์นะเคยมรณานุสติเนี่ยนะหลักการก็มีง่ายๆว่าสาัตว์ทั้งหลายตายแน่อ่านะไอ้ที่ไม่ตายแน่ไม่มีตายแน่มีชีวิตที่เป็นอยู่ไม่แน่แต่ตายเน่ยอย่างอื่นเนี่ยไม่ยั่งยืนแต่ความตายยั่งยืน สัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยถามว่าที่เป็นอยู่กับที่ตายนี่ไหนมากกว่ากันเนี่ะสติที่ที่ตายแล้วนะประเทศประเทศไหนก็ช่างเออสัตว์ตายมากกว่าอยู่เท่ากันยังไงน้อสาธุง่ายเก่งอย่างนั้นจริงๆเอ๊ะเนีแต่ถ้าใครจะฝึกอย่างไงนะดี ชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยนะอายุปูนี่และอายุน้อยๆมีไม่กี่คนเราลองรู้จักว่ารู้จักใครบ้างนะตั้งแต่เราเด็กๆขึ้นมาเลยนะไล่ตั้งเด็กกันนะอ้าวปูย่าอุ้ย í, คนนั้นก็ตายแล้วปูคนนั้นก็ตายแล้วนะลองนึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วเราแวกหมู่บ้านคนนั้นคนนั้นคนนั้นนึกอย่างนี้นะคนเหล่านั้นก็ตายหมดแล้วคนเหล่านั้นก็ตายหมดแล้วนึกอย่างนี้พักหนึ่งนะได้สังเวกับวัตถุดีมาก ถ้าช่วงไหนที่เรากุศลไม่เจริญนะลอง น, นึกนึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆไล่นกักเด็กๆมาเลยที่เรารู้จักเนี่ยคนที่เรารู้จักมักคนณนะ่ะบ้านนั้นก็ตายแล้วบ้านนั้นก็ตายแล้วไล่อย่างนี้สักไม่ถึงร้อยคน น, ะน่ะไงโอสังเวกับวัตถุดีเยี่ยมเป็นการเจริญมรณ า, านุสติแล้วก็น้อมไปหาที่อื่นๆแม้ที่อื่นๆก็ตายแล้วด้วยเยใครศึกษาประวัติศาสตร์มาดีด้วยยิ่งเจริญมรณ า, านุสติดีก็เราเรียนเรื่องคนตายทั้งนั้นเลย ประวัติศาสตร์ก็คือพูดถึงคนที่เคยมีชีวิตอยู่ก็คือคนตายนะสมัยนั้นเจงกิสคานถือดาบไปที่ออก้าในที่สุดตนก็ตายนะลยข้ามน้าข้ามทะเลไปฆ่าใครถึงไหนก็ตายในที่สุดก็ตายกันหมดไม่มีเหลือคนที่ไปหาปลาปลาก็ฆ่าตายในที่สุดคนหาก็ตายในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสัตว์ตายมากกว่าสัตว์เป็นอยู่แล้ว อดีตอันยาวไกลเนี่ยก็ไม่เคยมีใครไม่ตายแม้แต่คนเดียวสมัยพุทธ ก, กาลมาจนถึงยุคทุกวันเนี่ยนะเคยเจอหรือยังที่เรียกว่าไม่ตายนอกจากในนวนิยายเท่านั้นที่เหลือตายหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเนไหมอายุสักเขาบอกว่าตอนนี้นะประเทศที่อายุยืนที่สุดนี่คือญี่ปุ่นอายุแต่ เ, เขามีอะไรนะตอนนี้ยืนที่สุดเท่าไรรนะ้อยสิบหกปีใช่ไหมนะสักร้อยสิบหกปีเนี่ย ตอนนี้ยังมีนะที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่นับว่าเป็นประเทศที่เกณฑ์เฉลี่ยและอายุมากกว่าที่สุดในโลกตอนนี้ยุยืนมา ก, กานะแต่ถ้าถามว่าชาวญี่ปุ่นที่เป็นอยู่เนี่ยนะกับที่ตายไหนมากกว่ากันที่ตายมีมากกว่านะก็ระลึกเถอะแล้วสัตว์ที่ตายเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวหมูเดราชานทั้งหลายเนี่ยนะหน้าฝนมาครั้งหนึ่งเนะี่ยตายเท่าไหร่เอาถ้าใครเทียบปลานะว่าประชาชนไทยเนี่ยมีประมาณหกสิบล้านคนนะ หมูควรจะตายวันละเท่าไหร่ครำนวณดูนะเต๋ดควรจะตายวันละเท่าไหร่ไก่ตายวันเท่าไร่แล้วคนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตายโดยสถิติเนี่ยวันละเท่าไหร ي? แล้วก็มาคิดดูเถอะแล้วข้างหน้าต่อไปเนี่ยที่เกิดมาจะมีเหลือหรือบรรพ บ, บุรุษยังตา ย, ลยนะแล้วนะแล้วแล้วเผ่าพันธุ์ของผู้ตายเป็นเนี่ยจะไม่ตายเลยหรือนั้นเกิดเท่าไหร่ก็ก็ตายหมดเราทั้งหลายสแสวงหาที่เกิดก็เท่ากับสแสวงหาที่ตายนีย ก็ไปเพื่อจะตายนะครับถ้ามีใครถามว่าไปไหนไม่กล้าตอบอนะไม่กล้าเลยอนะมากไปมังม้งว่างั้นเดี๋ยวอัปมงคลมั้งนะแต่ว่าอความจริงนี่คนก็พูดมันก็ได้เหมือนกันนะอความจริงสิ่งไม่ตายแต่คนพูดไม่แน่เราว่าถ้าพูดผิดการผิดสถานที่ผิดอะไรเนี่ยนะ ถ้าเรื่องตายนะพูดตอนพูดอริยสัจได้ตอนเดียวตอนอื่นพูดยากผมท่องชื่อเพื่อนผมตายเนี่ยี่บาลายเนี่ยผมท่องได้ผมจำได้จำได้หมดเลยนะผมจำได้ได้มอลณานุสติยังี้เลยนะส9บเก้าคนผมจำได้พวกกันเคยลองลองมานึกนั่งนึกไหมคนนั้นคือนึกเป็นเรื่องเลยนะ คนนั้นตายแล้วคนนั้นตายแล้วคนนั้นตายแล้วคนนั้นตายแล้วเอาเพื่อนแล้วนะคนอื่นๆ อ, อีกที่เราคุ้นจักรู้จักมกักคุ้นเป็นนายเป็นอะไรก็ทั้งเป็นรุ่นพี่เป็นเพื่อนเป็นพี่บ้านเหนือน้องบ้านใต้คนที่เรารู้จักไงนะถ้าเรามักนึกแบบนี้บ่อยๆนะจะได้ประโยชน์ไม่ใช่น้อยเพราะนั่นคือการเจริญมรณานุสติหรือเจริญอนิจจสัญญาเป็นการเจริญตีรณปริญญาด้วยแต่ท่านนี้เราก็สาวไปหาในความเป็นอุปาทานขันห้าเพราะว่าสิ่งที่ตายเป็นนั้นก็คือ ขันหใช่ไหมอุปาทานขันห้ามันก็เป็นที่ตั้งแห่งการทำยาตะปริญญาและตีรณะปริญญามันก็หมั่นใส่ใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้เอาไวเ้เถอะคือเพื่อนแต่ละคนเนี่ยนะฮะว่ อ, อกินนอนด้วยกันมาหลายปีนะก็รู้นิสัยแล้วรับราชการมานี่เขาก็มีบทบาทยังไงทั้งบทบาทใหญ่เล็กนี่เรารู้หมดนิสัยใจคอเรารู้หมดเนี่ย้เราเรารู้เลยว่าเนี่ยไอ้คนเนี้ย ตายยังไงยังไงยังไงเราเรามองภาพออกเลยเนยะเขานิสัยยังไงแล้วก็ทําบุญทําทานอะไรมั่งหรือยังไงเนี่ยนะคือ<ร>าถามจริงครับพกกานรุ่นพุกกานทั้งหมดที่เสียเสียไปแล้วเนี่ยนัคิดว่าไปดีสักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าจะหายากอยู่นะหายากอยู่นะก็แล้วตายไปแล้วสีบก้าคนยังนอนรอแบบแบบอีกกย่หลายคนนะใหม่ๆแล้วก็ให ม, ม่ๆก็ตาย เจปดคนใช่ไหมเราเอ๊ะมันนานมากมาก ม, มากขึ้นทุกทีทุกทีนะครับตัวเลกไม่มีรถเลยนะ ม, มีแต่เพิ่มสรุปว่ามีเท่าไหร่เอาไม่เหลือนะแต่ดูว่าใครจะเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมเลือกทยอยตายนะตัวเขาตายแล้วก็ภรรยาตายนี่นะพ่อแม่ไปต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าไอ้ข่าวเขาต้องออกมาอยู่เรื่อยใช่ไหมฮะ เขาทุกเดือนเาอ้าจะออกมาเรื่อยๆอ้าวนี่พ่ อ, อ, อนุ้นตายนี่แม่ตายนี่แม่ย้ายนะพ่ อ, อ, อตาตายก็อบอกมาหมดเลยนะแล้วก็ตัวเองตายเมียตายเวลานี่อยู่ไอซียูอยู่อีกหนึ่งคนนอนแบบแบบเป็นโจทยชายนิทาอีกหนึ่งคนแล้วก็อยู่โคราชก็ำลองแบบแบบอีกหนึ่งคนพูดไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะแล้วก็กําลังบายพาสอยู่อะไรอีกหลายคนบายพาสสัดส่วนใหญ่ครับไอ้โรคหัวใจเนี่ยนะแม่เยอะจริงครับแล้ว แล้วตายโดยมากเป็นเป็นโรคประเภทนี้เยอะครับตอนหนุ่มๆก็อุบัติเหตุครับนะตายอุบัติเหตุมากเลยรถเนี่ยเยอะเลยฮะไม่ใช่สงครามนะไม่ใช่ครับ <c oughs> ตายเพราะรถตายเพราะเครื่องบินเนี่นะฮะเยอะแต่ก็มันนะลึกนะแม่ครูเนี่ยรู้จักใครที่ไหนที่เคยตายตายไปแล้กวก็นึกบ้างอ่ะนะแต่ว่าเคืทําว่านึกอย่างนี้เนี่ยเป็นตายเพื่อความหดหู่ฟุง้งซ่านใช่ไหม อย่างที่กล่าวถามมันก่อนว่าการนึกอย่างนี้นะคือทางแห่งความพ้นทุกข์อ่ะเห็นไหมพระพุทธเจ้าสรรเสริมมรณานุสติมากเนีน่ยนะหลายสูตรเช่นกลุ่มมรณ า, านุสติสูตรเนี่ยนะชื่นชมให้เจริญเลยให้ละลึกบ่อยๆแล้วละลึกเสร็จอย่างนั้นก็น้อมเข้ามาสู่ภายในว่าแม้เราก็จกต้องตายเช่นนั้นนะสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยสัตว์ทั้งหลายจักตายด้วยสัตว์ทั้งหลายที่กาลังตายอยู่ด้วย ความสงสัยในเรื่องตายรกของเราไม่มีเลยเพราะเราก็จากตายเหมือนคนที่ตายไปแล้วเราก็จากตายเหมือนคนที่กําลังจากตายต่อไปคนที่กําลังตายอยู่ในปัจจุบันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดรอบอนัเคย <c oughs> ได้ยินเรื่องสกข้าวปลาแล้วคือไปอยู่ในวังกินข้าวไปหลข้าวปาเป็นเเคยได้ยินไมครับ ท่านก็หมัน่นหมันละเลืกบ่อยๆนะหมันเจริญหมั่นเอามาตรึกหมั่นเอามาพิจารณาคือเราคิดกับเราไม่คิดเนี่่ตายไหมตายถามว่าคิดเรื่องตายกับไม่คิดเนี่ยอันไหนดีกว่ากันอไหนะถ้าไม่คิดเรื่องตายเนี่ยเสียหายตรงไหนเอาเราก็ใช้ชีวิตสบายๆโอ้ยนานเรายังอยู่อีกนานคนที่ตายก็ไม่ใช่เราเพราะเราก็ต้องไปสวดงานศพคนอื่นให้หมดก่อนนั่นแหละแล้วเราตายใครจะมาสวด นั่นก็สรุปว่าทุกคนน้อมเดินไปสู่ความตายมีความตายเป็นที่สุดรอบคือถึงเราเจริญหรือเราไม่เจริญเราก็ตายอยู่ดีถึงเราจะลืมตายแต่ความตายก็แน่นอนอ่ะนะไม่ลืมเราแน่อันนี้กติกาธรรมดาในโลกแต่ถ้าเอามาคิดอย่างนี้บ่อยๆนั่นคือการทําตรนัปปริญญาในข้อมรณะโตเนี่ยนะมรณะโตสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา น, นิจโตด้วย เสร็จแล้วที่คิดอีกต่อไปนะบอกว่าสิ่งที่ตายเป็นเนี่ยนะก่อนจะตายในชีวิตเขาดำรงอยู่ด้วยความสุขหรือความทุกข์มากกว่ากันอันนะั้นเรียกว่าอนิจเจทุกขสัญญานนะพิจารณาในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นทุกตอนแรกก็พิจารณาไม่เที่ยงไหมว่ามีความตายเป็นที่สุดรอบก่อนจะตายเนี่ยชาราเล่นงานมาขนาดไหนโรคภา้ายไข้เจ็บเบียดเบียนมาปานใด อันนั้ น, นี่แหละตามเห็นแบบนั้นมากๆากมาก ม, ากมากขึ้นจะเรียกว่าอนิจเจทุกขสัญญาเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่ามันเป็นทุกข์คิดถึงมากมากแล้วมันได้กลัวตายเอาคุณคุณไม่ยกมือคุณพูดไม่ได้ผิดกติกานานแล้วเนี่ยยังไม่ได้เสียค่าปรับเลยแล้วก็หมันและเลือกนะว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละมันคือตัวทุกข์ละมันทุกข์ขนาดไหนไห น, นะสิ่งที่ตายเป็นเนี่ยนะมันทุกข์มากลําบากมากเดือดร้อนมาก มันก่อนคุณหมอคุณหมออสอนเราว่าเขาเนี่ยรุ่นที่เจ็ดว่า ง, งั้นใช่ไหมคุณหมอรุ่นที่เจ็ดใช่ไหมคุณพ่อรุ่นที่เจ็ดใช่ไหมไม่รุ่นหนานทิพช้างอ่ะรุ่นที่เจ็ดหรือที่แปดไม่เลยขาบอกผมเนี่ยรุ่นที่เจ็ดเขาว่างั้นนานทิพช้างเนี่ยต้นบรรพบุรุษของของสายเนี่ยใช่เจ้านายฝ่ายเหนือเนี่ยนานทิพช้างนะที่ที่ที่ลำปางนั่นแหละนั่นต้นวงเขาอะ่ะ หมบอกผมในรุ่นที่เจ็ดหรือที่แปดเนี่ยถ้าจะไม่ผิดที่เจ็ดหรือที่แปดแถวๆนั้นนะก็ขึ้นไปที่ดอยอินทนนท์บอกว่ามาถามว่าบรรพบุรุษสายหมอว่าอหไรก็ไม่มีเหลือตายหมดก็มันมาคิดแบบนี้บ่อยๆว่านั่นคือการทำปริญญาว่าสิ่งที่ตายเป็นนี่แหละมันทุกข์ขนาดไหนชีวิตแต่ละคนที่ดำรงมานะอย่างบันพบุรุษของเราเลยนะแต่ละคนที่ตายไปเนี่ย ปู่ของเราที่มีที่ตายไปแล้วเนี่ยถามว่าก็ทุกขนาดไหนกว่าจะตายเนี่ยนะรองรับทุกขนาดไหนเออปู่มีลูกตั้งสิบคนยังไงนียกนะว่าจะเลี้ยงลูกโตเนี่ยสบายขนาดไหนนะแล้วก็ในที่สุดตายลนะทั้งย่า ด, ด้วยแล้วญาติญาติอีกคนอื่นอนี่นน ก, กันนะในขณีนยะเดียวกันก็เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยเกิดขึ้นมาแบกโลกในที่สุดแพ้โลกก็ตายเนี่ยนะนะเพื่อเกิดใหม่เกิดบอกอันนี้กชาติย์สังสารางังสันทาวิสังอันนี้พิสังเนี่ยนะนะ เขาบอกว่าเราเนี่ยสแสวงหาตันหาคือนายช่างผู้สร้างเรือนเนี่ยหาไม่พบใช่ไหมเมื่อหาไม่พบทำไงตั้นหามก็สร้างให้เรื่อยเรืยสร้างคพราะการเกิดบ่อยๆมันเป็นทุกข์เนี่ยนะเอาแล้วก็อย่างที่ถามแบบผู้การถามก็ดีเหมนะือนกันนะอาชีพอะไรมั่งถ้าเรามาใหม่เราจะน่าทำเนี่ยนะนะคือเรียกว่าเอาไปดีเยี่ยมในแต่ละทุกสายเลยนะเอามาเรียกว่าสุดยอดของทุกสายเลยนะถามว่าทนไหวไหม ทนไหวไหมทุกนั้นนั่นเลยนะก็ที่เขาปราลบนายกอนะันนั้นบอกว่าใครเป็นนายกอยากแก่เร็วไปจุดเป็นนายกเนะี่ยก็ว่ามีเพื่อนนายกคนหนึ่งออกมาพูดเขาบอกว่าโอ้โหเพื่อนนะเมื่อก่อนในะรูปเป็นหน้าเนี่ยเหมือนไข่เลยว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วก็ว่าขอกเขาบอกอายุห้าสิบสองก็ว่างั้นตอนนี้เหมือนอายุสักห้าสิบหกได้แล้วก็บองั้นกะ็บอ ก, บอกโอ้โหเป็นเร็วมากมากเลยนะนะ <c oughs> ก็สกัดเองก็พูดนะสมัยก่อนนะนคุณน้าชวนเนี่ยเมื่อก่อนเป็นนายกก็ดูดีๆก็ว่าพอเป็นนายกมาๆนะแก่ไปเยอะเนี่ยนะตอนนี้ผู้การเนี่ยถ้าได้เป็นนายกเน่สายแย่เดือดร้อนเนี่ยนะรับภาระขนาดนั้นนะนะก็ภาระแต่ละคนแต่ละคนที่รับอยู่เนี่ยนไม่ใช่เบาๆเลยเนี่ยแล้วก็เรามาคิดอย่างนี้ว่าทุกคนไปตายใช่ไหม ไปสู่ที่ตายกันทั้งหมดแต่ว่าภาระก่อนจะตายเนี่ยรับกันขนาดไหนบริหารกันขนาดไหนเนี่ยอย่างบริหารขันห้าเนี่ยจากนี้ไปตายหรือที่ผ่านมาเนี่ยดูแลปกปักรักษามันขนาดไหนก็นั่นทั้งหมดมันก็ล้วนมาจากความเกิดนันก็ความตายเนี่ยควรควรเจริญ เ, เพราะเป็นทุกขะอริยสัจ ท, ที่พระพุทธเจ้าสอนให้เอามาทำปริญญานึกถึงใครก็ระลึกใ้เสมอนะว่า เออเรากําลังนึกถึงสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดานะนะถ้าเราลึกถึงต้นลําไยหรือจ๊ะเออมันก็มีความตายเป็นธรรมดานะโอ้สิ่งไม่เอสิ่งไม่มีชีวิตอย่างนั้นยังตายเป็นธรรมดาจะกล่าวปลายถึงเจ้าของสวนลําไยเล่านะนี่ถ้าเราคิดอย่างนี้บ่อยๆระวังเฝ้าสวนลำไยนะถ้าไม่คิดอย่างนั้นไม่ทําปริญญาเนี่ยะเอาไหมจ๊ะเป็นเจ้าพ่อเฝ้าสวนลําไยลําบากแม่เนี่ยนะเจริญให้พ้นๆหน่อย วันในสติปัฏฐานหน้า34มนะกล่าวว่าที่ชื่อว่าจุติด้วยอำนาจแห่งสัตว์ผู้เคลื่อนจากพบคําว่าจุตินี้เป็นคําพูดธรรมดาของผอู้ของจุติที่เป็นขันหนึ่งขันสี่และขันห้าจุตินี้แปลว่าเคลื่อนนะนะที่เรารู้กันในนามว่าตายเจวณตาภาวะที่เคลื่อนเพโทความทําลายเรียกว่าแตกทําลายเลยนะ อันตรทานความหายไปเขามีนึกถึงคําของปูก็ชอบด่าล้านเนะนะเวทีก็ด่าก็บอกไอ้อันตรทานว่า่างนั้นใช่เราไม่พูดคำว่าตายล้วกว่าไอ้อันตรทานก่า่างั้นปูปู่ทำไมก็ด่าล้านไอ้อันตรทานนก็พอมีความรู้อยู่ ก็มีความรู้พอสมควรอ่ะนะแต่ว่าคือไม่ได้เข้าใจในเรื่องการทําปริญญาในเรื่องอะไรเพียงแต่ว่ารับหลักการเรียนมากว้างๆอะไรกว้างๆนั่นนะพี่ทำเจ็ดคัมภีร์อะไรก็เรียนหมดอนะแต่ว่าความรู้ไม่มไใช่แต่ว่าคือความเข้าใจในคําสอนที่ละเอียดลึกซึ้งไม่ค่อยมีแต่ว่าผ่านหูผ่านตาเขาพูดอะไรก็คือถ้านับกว่าทั่วๆไปก็ฟังเข้าใจเร็วกว่าคนอื่น่ แต่เสียดายว่าตายไปนานล้วังคว่าอันตรธานเนี่ยนะก็คือหายไปเป็นบทอธิบายความไม่มีโดยอ้อมคือโดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่งของขันที่แตกทำลายดุดหม้อที่แตกไปฉะนั้นอันตรธานแล้วเนี่ยนะศูญย์หายไปแล้วหมดแล้วเนี่ยนะมั จ, จุบมรณงมฤตยุคือความตายมั จ, จุคือผู้กระทาซึ่งที่สุดกาละการทำกาละนั้นชื่อว่ากาลกิริยา ก็คือการทําการละมรณะโดยสมมุติทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยเป็นคําพูดแบบสมมุตินะถ้าเป็นคนแขกพูดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโวหารเป็นคําพูดที่หมายถึงว่าตายแบบสมมุติเอานะว่าธรรมะเนี่ยแปลงว่าตายแบบสมมุติของท่านเนี่ยคือตายจริงของเราเอาไงพู้ที่ตายจริงๆอ่ะคือผ้าหัน์ที่เหลือตายหลอกทั้งนั้นอนะ่ะตายเล่นะนะนีงั้นเราก็เผากันหลอกๆกันนะแต่ร้องให้จริงๆอ่ะเอา <c oughs> ทีนี้มาดูแบบปรมตส์เนี่ยนะประมตส์ก็เรียกว่าสัตวตายไม่มีรอกเพราะว่าสัตว์ไม่มีโดยปรมตส์มีแต่ขันธาตุและอาญตนะพันขันแตกทําลายความทําลายแห่งขันนั่นแหละชื่อว่าตายแบบปรมาส์ก็มีแต่ชีวิตตินทรีย์ที่แตกทําลายไปใช่ไหมถ้าชีวิตตินทรีย์ที่แตกทําลายไปชีวิตรูปทั้งหลายก็แตกทําลาย น, นะชีวิตตนามแตกทําลายนามทั้งหลายก็ถึงความแตกทําลาย ว่าโดยปรมัตน์ขันทั้งหลายเท่านั้นย่อมแตกไปขึ้นชื่อว่าสัตว์ร่ไร่ย่อมตายหามีไม่แต่เมื่อขันกำลังแตกทำลายสัตว์ก็ย่อมมีโวหารว่ากำลังทำลายนะคือถ้าขันเสียก็เรียกว่าสัตว์ตายเนี่ยนะเพราะขันมันแตกทำลายไปเมื่อขันแตกแล้วก็มีโวหารว่าสัตว์ตายแล้วก็ในอธิการนี้ความแตกแห่งขันทั้งหลายด้วยอานาจจตุโวการภพและปัญโวการภพ ส่วนความทอดทิ้งกะเลวะคือซากศพก็ด้วยอำนาจเอกวการพบเนี่ยนะก็สรุปว่าตายไม่มีเหลือเพรางั้นพรมยังตายเลยนะจะกล่าวไปยายถึงล่างๆ ล, ง, ลงมาถึงมีอายุแปดหมื่นสี่พันกับนะถ้าเป็นไปเรื่อยๆในที่สุดก็หมดเป็นใช่ไหมอย่างว่าอย่างน้ำมันที่สูบมาใช้ใช้กันเนี่ยนะอนาคตมันก็คงหมดนะ ห, หมดได้ทาไงต่อไปกันนะใช้อะไรอีก แล้วใครมาเป็นม้าอะไรกันี้ระวังเลยแล้วใครจะมาเกิดเป็นม้าอะไรกันี้ก็ละบากเลยหาทางออกให้มันดีๆหน่อยอีกอย่างหนึ่งเพราะขันทั้งหลายในจาตุมหาราชิกาเป็นต้นย่อมแตกไปอย่างเดียวคือในสวรรค์เนี่ยนะไม่มีอะไร อะไรอะไรทอดทิ้งฉะนั้นความแตกแข่งขันย่อมมีด้วยอำนาจแห่งขันในสวรรค์ชั้นจาตุมเป็นต้นส่วนทอดทิ้งซากศพก็มีในพวกมนุษย์ทั้งหลายสวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยนะมันก็เหมือนกับไฟที่ที่ดับไปนะเขาบอกว่าเทวดามันก็เหมือนกับวัตถุเรืองแสงชนิดหนึ่งเนีย่ยนะพอมตายไปมันก็ดับมันนะแสงก็ดับรัศมีมันก็หมดละมันก็หายไปเล ย, ยนะเรียก ว, ว่าจุติไปแล้ะ มันเทวดาเขาเวลาตายไปเขาไม่ค่อยร้องไห้ถึงใครตายกันแล้วแล้วกันไปแต่ที่จะเดือดร้อนก็คือตัวจะต้องตายเนี่ยตรงนี้แหละเดือดร้อนแบบสุโภมเทพบุตรใช่ไหมมีบริวารอยู่พันหนึ่งอีกห้าร้อยเนี่ยตายไปแทบเดียวเนี่ยหายไปไหนไปไหนกันหมดเนี่ยนะหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะหายไปห้าร้อยต่อหน้าต่อตานี่ก็นึกกันอ้าวมนานัสการอีกทีโออาเวจีเนี่ยนะ ก็วิมานก็แล้วแต่ว่าถ้าวิมานนั้นอ่ะเป็นเนี่ยก็อยู่แต่บางวิมานก็หายไปด้วยเพราะว่าวิมานเนี่ยมันเป็นอุตุชรูปที่มีกรรมเป็นปัจจัยก็ยมไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยนะไม่ได้ตายทั้งหมดอะไรนะก็ยังอยู่แล้วแต่บริวารว่าอายุยืนมากกว่านายหรือเปล่าแต่ว่าโดยรวมแล้วนะบริวารอายุสั้นกว่านาย นะโดยรวมๆนี่แต่ว่าก็มีนายตายก่อนก็มีแล้วก็บริวานเหล่านั้นก็ร้องไห้อยู่พักหนึ่งเดี๋ยวก็มีเจ้าคนใหม่มาเป็นหัวหน้าอีกนั่นแหละมันก็อำนาจมันเปลี่ยนๆกันไปอยู่นั่นแหละไม่ได้มีใครเป็นใครหรอ ก, นกนเน้นๆหันไปดูหายไปคนลุงรอดก็หายไปแล้วนี่ขนาดชื่อรอดด้วยนะ <c oughs> ไปก่อนเพื่อนเลยอ่ะ <c oughs> อืมอันนะ้นแกเดินมาเรียนด้วยนะถือไม่เท่าอันหนึ่งเดินมาเรียนใกล้มากเลยนะไม่ได้ใกล้เลยเดินหลายกิโลด้วยกันนั่นนะก็ที่เหลือนี่ก็ยังเละๆคุณบุญชูอยู่เหมือนกัน <c oughs> ชื่อดีๆนี่แหมาต้องเราทําใจไว้หน่อยเนี่ยนะ <c oughs> อ๋อ น, นะแกเดินเอาอ่ะคิดดู <c oughs> บางวันฝนตกเคยยังเคยแวะไปส่งกันเลย <c oughs> ก็ศึกษามาให้ดีเนะี่ ก็บุญบุญทั้งหลายนี่ก็ระวังให้ดีนะมีอยู่สองตรงนั้นนะหมดบุญนะจะลําบากแต่ว่าไม่น่าหนักใจนะทําบุญมาขนาดนี้แล้วไปไม่ดีก็ไม่น่าหนักใจแล้วนะพูดถึงว่าพูดถึงความตายเนี่ยทุกคนนะ่ะเพราะเขาลักตัวเองมากนะฮะเขาจะไม่คิดว่าไอ้สิ่งนั้นจะเกิขาต้องเกิดเป็นคนสุดท้ายไอ้สิ่งเล่านั้นจะเกิดกับเขาปเป็นเป็นเป็นคนสุดท้าย เราใครจะเป็นปู่โสมเฝ้าห้องต่อไปไนะความรักตัวเนี่ยอ้ยเรื่องม่แจกของเราแน่ไม่ใช่เราเนี่ยโดยมากคิดอย่างนี้ทั้งนั้ น, นครับผมเชื่อเลยครับเฮ้ยไม่ใช่เราเขาบอกว่าในชินวัตในโคตมีเทรีคาธานนะเขาบอกว่าเป็นที่น่าสังเวชว่าสมัยที่พระผู้มีพระภาคแบับขันปรินิพานเนี่ยอัครสาวกก็ไม่อยู่อะไรเป็นต้นไม่อยู่เนี่ยนะ แต่พระมหาโคตมีพระมหาประชาบดีโคตมีปริณิพานเนี่ยนะอัครสาวกพระรหัส น, นี่เต็มไม่มัเลยนะเรียก ว, ว่าเป็นสมัยที่ที่สมควรตายที่สุดเพราะว่ามีเรียกว่าพร้อมเพียงที่สุดเหมือนกนะัท่านก็เลยดับคันปริณิพานแล้วก็สมัยที่พระผู้มีพระภาคมีพระชนประมาณเจ็ดิบแปดปีเนี่ยนะสมัยนั้นเนี่ยพิสุนีตายเป็นหมื่นนะกลุ่มพระนางยโสธราพิมพาเนี่ยตายเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือ คือสังเกตดูว่าตายตอนไหนบอกว่าตายตอนที่มาลามาลาปรินิพานนั้นข้อความในพุทธวงศ์เนี่ยคือถ้อยคําที่ลาปรินิพานกันซะส่วนใหญ่ทั้นสมัยที่พระองค์มีพระชนอยู่เนี่ยนะสาวกตายมากเลยนะบางชุดเนี่ยตายเป็นหมื่นบางชุดก็ตายทีห้าร้อยพร้อมกันเลยอย่างนั้นะก็แต่ก็ท่านเหล่านั้นก็เรียกว่าตายครั้งสุดท้ายก็ไม่น่าหนักใจอะไรนะของเราก็คือการตายคือการเริ่มใหม่ใช่ไหม อันน่ะเริ่มใหม่อีกแล้วเนี่ยนะคิดดูนะถ้าสมมติถ้าวันนี้จุติใช่อีกสิบเดือนข้างหน้าคลอดถ้าเป็นมนุษย์ใช่ไมอันนะ้เมื่อวานเห็นฝรั่งคนหนึ่งเขาแข น, นเด็กตัวเล็กๆเลยนะนี่นะถ้าเราตายช่วงนี้นะอีกสิบห้าเดือนข้างหน้าเราจะมาถูกซุกแบบนี้ก็ หนีให้มันพ้นเนอะหนีไม่พ้นก็มาถูกเข็นอยู่แถวเนี้ยนะเข็นเข้าบ้างเราเข็นเข้าบ้งางธรรมเนเจ้านี่มีวันสิ้สนสุดไหมครับหรือเป็นนานตายมีไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดอะไรอะไรธรรมเนเจ้าที่บังเกิดขึ้นแต่ลงแต่ลเรื่อยๆนะครับมีที่สิ้นสุดหมครับคือเอ่อปกติแล้วนิยามกฎเกณฑ์ของโลกเนี้ยนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหาประมาณไม่ได้ไม่ต้องไปนับว่าปริมาณเท่าไหร่ การที่จะมีพระพุทธเจ้าต่อไปเนี่ยนะก็คงมีเรื่อยๆแต่ว่าไอเรื่อยๆนี้มันนานขนาดไหนเนี่ยบางทีว่างหลายอาสงไขยด้วยกันเนี่ยหลายๆอสงไขยไม่มีพระพุทธเจ้าแม้แต่องค์เดียวถามว่าเพราะอะไรเพราะความยากของผู้ที่จะแหวกเหตุผลดังกล่าวเมื่อก่อนหน้านี้ใช่ไหมแวกไอมิจฉาทิฐิอยู่20สิบอสงไขยแสนกลับเนี่ยนะ พรปกติถ้าไปตามหลักมิจฉาทิถิมไปไม่ยากใช่ไหมสังคมก็ยอมรับด้วยสิ่งแวดล้อมก็ยอมรับด้วยต้องแหวกไอ้มิจฉาทิถิอยู่สี่ย20อสงไขยต้องแหวกตันหาอยู่ตลอด20่สอสงไข่คนอื่นเขาเล่นน้ำใช่ไหมปล่อยไปตามกระแสน้ําตลอดคนอื่นเขาหลับตลอดอเจ้านี้ต้องตื่นอยู่ตลอดอะถ้าเทียบในความลําบากแล้วลาบากกว่าคนอื่นหลายสิบเท่าตัวนะคนอื่นเขาบริโภควัตถุกรรมจา่าเฮ้ยมีความสุขร้องรําทําเพลงไอเจ้านี่สมาทานศีลแปด นิ่งเงียบเนี่ยนะเจริญกรรมฐานไปคนอื่นเขาคิดว่าโอ้เขาใจยื้ยืนเจ้านี้มาคิดถึงแต่เรื่องตายอย่างเง้ยนะต้องฟื้นอยู่อย่างนี้ยีสิอสงไขยอะคิดตรมันไม่ใช่ธรรมดานะแล้วไ อ, ไ อ, ไอการเจริญพวกนี้ไม่ใช่ว่าจะราบรื่อนใช่ไหมถามว่าให้ทางรักษาศีลที่เราทําทำกันอยู่ในราบรื่อนไหมมาฟังเทศฟังธรรมทุกวันมาเรียนอ่านพระไตรปิฎกราบรื่นไปหมดเลยสะดวกโยทินไปทุกอย่างใช่ไหมไม่ใช่เลยใช่ไหมปัญหาสารพันเลยแหะ อันนี้คือคือปฏิฆานิมิตที่เราจะต้องฝืนจะต้องภาคเพียรจะต้องพยายามเนี่ยทนอยู่อย่างนี้นะไฟคือโทสะเ น, นียต้องทนเป็น20สอสงไข่เนี่ยแล้วก็สำคัญมากที่สุดต้องเสียสละของห่วงแหนทั้งหมดออกไปอันนั้นอย่างอื่นทนเนี่ยมันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาใช่หผู้ที่อยู่ในวัะจําต้องทนแต่สิ่งที่ทำใจยากมากคือสละของที่ที่ตัวเองห่วงแหนโดยที่สุดแม้กระทั่ง ชีวิตเนี่ยนะก็สละได้หมดเลย่เนียก็อย่างแม้กระทั่งบุตรภริยาอะไรทั่วๆไปก็ต้องสละกันหมดแต่เขามามานั่งนึกไอ้พวกอยากภริยาสามีมันก็อยากกันได้อยู่ทุกวันไม่เห็นบริจาคมันก็อยากอยู่นั่นนะทําไมไม่บริจาคก็มานั่งได้บุญด้วยนะคุณนายได้ยินหรือเปล่าว่าไง แถมด้วยคับู้มันก็มีไปเรื่อยๆพ ร, รจจไม่มีที่สุ้ดนะครับมีแต่ว่าเมื่อไหร่จะมีสักองคหนึ่งว่ารวมๆมันนะมีคือมันยอกมากก็อย่างที่พยายามของมาพยายามพูดอย่างหนึ่งว่าถ้าใครข้ามท่าของพระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่สำเร็จนะคุณคำนวณได้เลยว่าค่าใช้จ่ายในวัตตะนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนไห คือเปรียบเหมือนอย่างว่าสมมติว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่ผู้การเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ครอบครัวไปประเทศอะไรเนียออสเตรเลียใช่ั้ยแล้วก็จำวันเดินทางผิดถ้าบอกว่าท่ายูต่ออีกหนึ่งวันนี่อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนคะ่าโรงแรมค่าใช้จ่ายค่าสารพัดเลยใช่ที่ที่จะต้องใช้จ่ายเพิ่มเนี่ยนะชั้นใดก็ดีถ้าอันนี้แค่วันเดียวนะ แล้วของเราเนี่ยจากพระพุทธเจ้าองค์นี้ถึงพระพุทธเจ้าองค์หน้าเนี่ยคำนวณดูเถอะกี่พันล้า น, านปีเป็นล้านล้านปีจริงๆเลยนะมันไม่ใช่ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ธรรมดานะมันเป็นอีกไม่รู้กี่ล้านล้านล้า น, านปีอะ่ะคิดดูว่าต้องรอเนี่ยพระรีอารกว่าจะมาบริจาคบุตรภริยากว่าจะไปเป็นสันดุสิตเ ท, ทพรบุตรแล้วอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเ ท, ทพรบุตรนะเอาเฉพาะ ชาติที่ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านต้องไปอยู่สารดุสิตเทพประบุเนี่ยห้าร้อยกว่าล้านปีเหนไหมแล้วเราไปกินอะไรอะนะห้าร้อยท่านสบายของท่านไปยาวเนี่ยท่านมีบุญมากไหมท่านทํามาเยอะแลวะ้วอะแล้วของเราเนี่ยเราเป็นอะไรกันแล้วก็โอ้เรื่องนี้เรื่องยาวยาวจริงๆริงนะก็ถ้าไม่ตรัสรู้ในพระพุทธเจ้าองค์นี้นะคิดไว้เถอะว่าจนถึงว่า พระ อ, องค์เหมือนกับพูดเหมือนกับว่าแต่ว่าบอกจริงๆนะถ้าท่านพลาดสัมมัตตนิยามคืออริยมรรคในาศาสนานี้แล้วท่านจะเสียใจเหมือนเหมือนพ่อคาฉะนั้นอันนี้เป็นความจริงมากๆเลยถ้าใครพลาดเนี่ยเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนอยังไงบ้างก็ดูเถึงเรามาเกิดเป็นมนุษย์อีกอนะถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์อีกเราคิดหรือเราจะมาทําบุญหรือจะมาทําบาปสาธุกเกิดชาติหน้าฉันมีอะไรฉันจะให้ทานหมดเลย หรือฉันจะต้องมีอะไรบ้างชาติหน้าเอามากองไว้เยอะๆเนี่ยนะคิดยังไงดีตาไม่นิดจะเอามากองไว้เยอะๆหรือจะเอาไปให้ทานเยอะๆเนี่ยนะอะไรนะต้องให้ให้หมดนะคืออันที่จริงวัตถุของโลกอั้นมันไม่ใช่ของใครหรอก <c oughs> ถึงเราจะยึดว่าของเรามันก็ไม่ได้เป็นของเราตลอดไปหรอก ก็ทบทวนให้ดีนะว่ามันอีกหลายพันล้านปีนักแล้วศึกษากฎเกณฑ์ของมนุษย์นะว่ามนุษย์เนี่ยมันอายุจะสั้นลงสั้นลงสั้นล ง, นลงไปจนถึงเรียกว่ารมิคสันยีแล้วก็ค่อยๆขึ้นขึ้นลงขึ้นลงอีกโอ้อีกนานปลาเพลสีอันจะมาอย่างนั้นคนที่ปรารถนาปลาเพสีอันเนี่ยคิดถูกครับก็ก็คิดถูกกว่าไม่ปรารถนาเลยเนี่ยนะถูกกว่าไม่ปรารถนาเลย <laughs> แต่ว่า ควรจะปรารถนาในาศาสนาเนี่ยเท่าที่จะทําได้ถ้าไม่ได้จริงๆถึงาศาสนาของท่านก็จะเบาขึ้นกว่าเพื่อนแต่ถ้าไม่ตั้งความปรารถนาไว้อย่างนั้นเลยนะก็พวกกรอน้ําบอดหน้าตลอดก็หวังน้ําบอดหน้าก็หวังไปเถอดถ้าข้างหน้ามันทะเลทรายก็หวังไปเถิดคนนี้